มีใครอยากจะถามอะไรมั้หมฮะเป็นไงมาภาวนาดีมั้ยนอนไม่ค่อยหลับค่ะอ๋อนอนไม่หลับก็ดีจะได้ภาวนาเยอะๆเนือพอพอ่องนอนไม่หลับเพราะฟุ้งซ่านก็ การปฏิบัตินี่ถ้านอนไม่หลับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักค จ, จะง่วงนอนกันพอจะนั่งสมาธิก็สับประงกอยากจะนอนกันถ้าถ้านอนไม่หลับก็ก็ดีไม่ต้องถือในสัตว์ชิกเนี่ย พวกที่เขาถือในสัตว์ชีกกันพวาะเขาไม่อยากจะนอนกันถือสามวีเดียบทเดินยืนกันนั่งไม่นอนเพราะกลัวเวลานอนจะนอนมากไปจะเสียเวลาอันนี้หมายถึงพวกที่เขาเป็นเมืออาชีพนักปฏิบัติมืออาชีพคือเขาไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ เขาไม่สนแล้วเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะม า, าดับความทุกข์ใจของเขาได้สิ่งที่เขาต้องการคือความสงบความหลุดพ้นจากความทุกข์ใจและเขารู้ว่าการปฏิบัติต้องไปงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำแบบวันพระมาทำกันครั้งหนึ่งอันนี้เป็นงานของมืออาชีพคือทําตั้งแต่ตื่นจนหลับ อย่างหลับก็ต้องให้มันน้อยที่สุดเพราะถ้าว่าไม่ไม่ทําอย่างนั้นกิเลสมันก็จะออกไปช่านอนนอนนอนมากมันจะไม่อยากปฏิบัติก็ต้องมีมาตรการแก้เรื่องนอนกันหลายวิธีเนสัตเช็กนี่ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คืออดข้าวกันอดอาหารกันหรือผ่อนอาหารกินให้มันน้อยะ เรกินน้อยแล้วตัวเบาแล้วก็จะไม่ง่วงนอนถ้ากินมากมันก็ง่วงนอนมันก็จะไม่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนอนถ้านอนก็ไม่ได้ผลจากการปฏิบัติเวลาของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของพวกเรานี้มีแต่จะน้อยลงไปน้อยลงไปเวลาที่เหลือในการปฏิบัติจะมีน้อยลงไป เหมือนกับเงินใช้เงินทองชีวิตเรานี่เหมือนกับเวลาของเรานี่เหมือนกับเงินทองที่มันไม่งอกเงินทองมันเราบัยังทําให้มันงอกได้เราใช้ไปแล้วเรายังหามาเติมได้แต่เวลานี่เราหาเวลามาเติมไม่ได้มีแต่จะหมดไปหมดไปตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราลองลบจากอายุที่เราเพึงจะมีอยู่เมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งก็มีแม่เสียชีวิต คนนี้อายุยืนยาวเก้าสิบหกปีก็แกก็มาวัดเป็นประจำทั้งครอบอครัวนี้เขาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราลองคิดดูซิว่าชีวิตเราจะเหลือสักกี่เราจะอยู่ทั้งอายุสักเท่าไหร่ถ้าเราเอามาตรฐานก็พระพุทธเจ้าเป็นหลักก็แล้วกันแปดสิบปีตอนนี้เราสามสิบก็เหลือห้าสิบเราหกสิบก็เหลือยี่สิบ มันก็จะมีแต่น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบปฏิบัติผลมันก็จะไม่เกิดผลมันจะเกิดจากการปฏิบัติของเราเท่านั้นคนอื่นปฏิบัติให้เราก็ไม่ได้<ม>คนอื่นทําได้อย่างมากก็คอยเป็นกอกอกงเชียร์ให้กําลังใจคอยตะโกนบอกให้ไปทางซ้ายไปทางขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเหมือน เหมือนเวลานักบวยขึ้นเวทีนี้มีกองเทีย่ยงกันซ้ายขวาซ้ายขวาแต่คนที่ยังต้องต้องต่อยนี่ก็คื อ, เ, อเรานี่แหละเราที่อยู่บนเวทีถ้าเราไม่ต่อยก็โดนเขาต่อยเพราะข้าศึกของเรานี่เขาต่อยเราตลอดเวลาใจของเรานี่ถูกอวิชาครอบงำใชไหท่านแสดงไว้เลยว่าอาวิชาปัจญาสังขาราอาวิชาเป็นตัว ผักดันให้สังขารคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งไปในทางหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วก็ไปทุกข์ทางนี้มันเป็นทางสู่ความทุกข์เพราะเราไปหาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองทุกคนนี่เกิดมาเนี่ยก็หารูปเสียงกลิ่นรสกัน อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะได้ยินอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นสัมผัสกับอะไรต่างๆผ่านทวารทั้งห้าเวลาอยู่เฉยๆไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้มาสัมผัสรู้สึกหงดเย็นเศร้าซ้อยหงอยเหง า, ว, าว้าเหวเวลาอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงนี่โอ้โหเหมือนปลาได้น้ำตื่นตาตื่นใจกันแต่เป็นความสุขแบบปลอม ความสุขชั่วคราวพอไม่มีแสงสีเสียงมาให้เสพให้สัมผัสก็กลับมาสู่ความเศร้าสร้อยง่อยเหงาเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำกันมาทำใจให้สงบได้ใจของเราจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการความสงบความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ นี่เป็นเหมือนกับคนคนสองคนคนหนึ่งคนติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นเหมือนกับความสุขของคนที่ไม่ได้ติดยาเสพติดส่วนความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายเป็นเหมือนกับความสุขของคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยานี้ต้องมียาให้เสพอยู่ตลอดเวลา เวลาใดไม่มียาให้เสพเวลานั้นก็ดิ้นเท่ามายใจแต่คนที่ไม่ติดยาก็ไม่เดือดร้อนฉันใดคนที่ไม่ต้องไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีภาพยนตร์ให้ดูไม่ต้องมีบันเทิงมหรสบพต่างๆให้มาเสพมาสัมผัส เพียงแต่อยู่ที่เงีเงยบๆอยู่คนเดียวแต่นินสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆพอจิตสงบหยุดพอพอจิตหยุดคิดได้จิตก็จะสงบรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งรวมเข้าสู่ความสงบความว่างสู่เบญขาสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเนี่ยถ้าได้อันนี้แล้วจะ ไม่เดือด น, นอนเวลาอยู่คนเดียวเวลาไม่มียาเสพติดคือรูปเสียงกลิ่นลดผลทพ้าให้เสพนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่คนจะจาทั้งหลายเขาเสพกันพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกเขาเสพความสงบกันเขาทิ้งไปปีกวิเวกอยู่ตามปา่าตามเขาตามลาพังไม่คุกคีไม่สังคมกับใครไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเพราะว่าจะต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ก็จะเป็นเวลาที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์นี่แหละคือเรื่องของพวกเราเรื่องของเวลาที่พวกเราควรจะรู้จักใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ เวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะถ้าไม่มีเวลานี้เราจะไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นถ้าเราไปติดคุกติดตารางหรือไปต้องเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นเช่นต้องทำมาหากินถ้ามีครอบครัวนี่คิดดูนีเวลาที่จะต้องต้องเสียไปกับการเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครวัวเวลาที่จะมาปฏิบัติทำนี้แทบจะไม่มีเลย เราต้องพยายามดูดเอาเวลาที่มีค่านี้มาใช้ในทางปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามาอยู่วัดได้เป็นห้าวันเจ็ดวันหรือเป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนได้ก็ก็ดีเราจะได้ใช้เวลาที่มีน้อยลงไปเรื่อยๆนี้มาทำคุณทำประโยชน์ มาสร้างความสงบสุขให้แก่จิตใจของเราให้มีมากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับให้มียาวออกไปนานออกไปให้มันมีอย่างต่อเนื่องการที่จะมีอย่างต่อเนื่องมีอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดก็คือเราต้องปฏิบัติตลอดเวลาสตินี้ต้องมีตลอดเวลาสตินี้เมื่อจเจริญไปแล้วมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อย ถ้าเราจเจริญอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะมีสติตลอดเวลาจนเขาเรียกก็เป็นสติอัตโนมัตินี่คือมหาสตินี่เป็นสติแบบอัตโนมัติเหมือนกับนาฬิกานาฬิกามีสองแบบสมัยก่อนนาฬิกาไขาลานกับนาฬิกาอัตโนมัติสมัยก่อนนี่ไม่มีนาฬิกาอัตโนมัติต้องคอยไขายลาน อ, อเดี๋ยว ไม่ขายเดียวมันก็เข็มมันก็หยุดหยุดเดินพวกเด็กๆนี่ไม่เคยเห็นหรือเปล่านาฬิกาขายลายนะสมัยก่อนไม่มีนะนาฬิกาอัตโนมัติอย่าอย่าพูดถึงนาฬิกาแบบที่ใช้ฐานนี่เลยสมัยก่อนนี่ต้องใช้ใช้ไอ้เข็มไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างตัวนาฬิกาเนะี่ยคอยขายลานวันหนึ่งต้องต้องขายหนึ่งครั้งต่อมาเขาก็มาผลิตนาฬิกาแบบ อ, อัตโนมัติไม่ต้องขายลาน เป็แต่ต้องคอยใส่มันเวลาใส่แล้วเวลาเราเคลื่อนไหวนาฬิกามันก็จะขายลานไปในตัวเขาเรียกนาฬิกาอัตโนมัติขายลานแบบอัตโนมัติสติสติก็เหมือนกันสติตอนต้นนี้ก็จะเป็นแบบต้องขายลานคือต้องคอยบังคับต้องคอยสั่งมันให้พุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้ถ้าไม่ใช่พุโทโธก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ใช่นับหนึ่งสองสามก็ได้ใช้สวดมนต์ก็ได้ใช้เกสาโลมานักขาดันตาตะโจก็ได้คือให้มีอะไรคอยอดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ใจนี้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ใจสักแต่ว่ารู้อย่าคิด คิดแล้วมันวุ่นส่วนใหญ่จะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายนั่งอยู่เฉย เ, เดี๋ยวก็คิดแล้วจะกินอะไรดีจะดื่มอะไรดีจะดูอะไรดีจะฟังอะไรดีไม่เคยคิดเลย ว, ว่าจะนั่งสมาธิดีไหมถ้าไม่มีสติมันจะไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ามีสติปั้มันก็จะกลับมากะสู่การทำสมาธิได้ ต้องพยายามฝึกสติอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้มันหมดไปโดยที่ไม่มีสติโดยที่ไม่ได้เจริญสติเพราะว่าเท่ากับไม่ไม่ได้ไม่มีรายได้ถ้ามีการเจริญสตินี่แสดงว่ามีรายได้มีธรรมมีธรรมมากขึ้นเท่าไห่ต่อไปก็จะขยายผลได้ ได้สติแล้วนั่งสมาธิก็จะได้สมาธิได้ความสงบอพอใจสงบแล้วที่นี้กิเลกก็อ่อนกำลังลงเวลาออกจากสมาธิมาก็สามารถสั่งให้ใจไปคิดทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิกิเลสมีกำลังมากมันจะไม่ยอมคิดไปในทางปัญญามันจะคิดไปในทางกิเลสทางตรงกันข้ามกับทางปัญญา ปัญญาให้คิดว่าทุกอย่างต้องเสื่อมทุกอย่างต้องจบทุกอย่างต้องสิน้นอยากกิเลสจะคิดว่าทุกอย่างจะอยู่ไปยืนยาวนานเนี่ยพอเราไปคิดตามกิเลสก็ต้องเสียใจเวลามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดคิดว่าเขาจะอยู่กับเราเป็นนา น, านเดี๋ยวปุ๊บปั๊บก็หายไปแล้วนี่ไม่คิดกันว่า ต้องคิดว่าปุ๊บเดี๋ยวเขาต้องหายไปแล้วนะไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปเพื่งเขาดีกว่านะเพื่งเขาแล้วจะต้องเสียใจนะเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราหรือเวลาที่เขาไม่ให้เราเพึ่งถึงแม้จะอยู่กับเราแต่เขาไม่ให้เราเพึ่งเราก็จะเดือดร้อนต้องคิดถึงความเสื่อมความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา มีอยู่ในตอนนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะมีในอนาคตถ้าเราเห็นความสิ้นสุดการดับการสูญของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะไม่อยากจะไปเพิ่งไปพึ่งเขาเพราะพึ่งเขาได้ก็ชั่วขณะชั่วคราวชั่วขณะที่เขาอยู่กับเราหรือเขาขณะที่เขายอมให้เราพึ่งอยู่พอเวลาที่เขาไม่อยากให้เราพึ่งแล้วเราก็ลาบากเราก็จะทุกข์ ไอ้คิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะได้หดไม่ไม่ไม่บานไม่บานออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ไม่ออกไปหาสิ่งต่างๆจะหดเข้ามาหดเข้ามาอยู่ในความสงบดีกว่าไม่ต้องพึ่งอะไรเอาความสุขแบบไม่ต้องพึ่งใครดีกว่านี่เนี่ความสุขแบบอัตตาฮิอั ต, ตโนนาเถก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละ เกิดจากการจเจริญสติเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็เกิดจากการจเจริญปัญญาพอเรามีปัญญาเราก็จะหยุดสิ่งที่เรามาคอยทำลายความสงบของเราคือความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ความสงบนี้มันจะหายไปแล้วถ้าไปทำตามความอยากมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งจะร้อนขึ้นมายิ่งจะทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาหานี้ก็ทุกข์แล้ว เวลาอยากได้อะไรเนี่ยเวลาที่ต้องไปหานี้ใจก็ต้องวุ่นวายแล้วใจก็ต้องราสำ้วซ้ายได้หรือปาก็ไม่รู้ได้มาก็ต้องม า, ก, ามกังวลกับการดูแลรักษาแล้วพอหายไปหมดไปก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้มันเป็นกระบวนการของความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นกระบวนการของความสุข ถ้ากระบวนการของความสุขก็พอไม่อยากปั้บใจก็อยู่เฉยๆได้เช่นตอนนี้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรแล้วก็สบายถ้าอยากได้เงินตอนนี้ก็ต้องไปคิดหาวิธีหาเงินกันละจะหาด้วยวิธีไหนดีบางคนก็บอกว่าต้องไปเรียนหนังสือต่อได้ไปริญญาอีกใบหนึ่งแล้วจะได้ไปหางานทําได้เงินเึ้นมาบางคนก็ว่าไปขโมยดีกว่าอ มันง่ายกว่าไปเรียนหนังสือ ấy. ก็ต้องวางแผนไปขโมยมีแต่การออกไปหาความวุ่นวายทั้งนั้นนะความอยากมันไม่ได้ดึงให้เราเข้าหาความสงบหาความสุขกันดังนั้นต้องเห็นโทษของความอยากทุกครั้งที่มันเกิดความอยากขึ้นมานี่ยต้องกำจัดมันทันที ấy. อย่าปล่อยให้มันอยากถ้ามันอยากเอาใจจะร้อน ใจจะอยู่ไม่เป็นสุขถ้ารู้ทันว่าทําตามความอยากแล้วเป็นการเดินเข้าสู่ความทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็สงบใจที่ไม่สงบก็เพราะความอยากเนี่ยใจเรานี่อยากตั้งตลอดเวลาอาวิชชาปัจจยะสังขารมันก็สังขาร ก, ก็ปรุงแต่งไปตามความอยากมันจะปรุงไปทางกามาตัาหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาทันที yeah. นี่คือใจของผู้ตุชนใจที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันจะหมุนไปทางนั้นหมุนไปสู่กองทุกข์หมุนไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดพอเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากในใจยังไม่มยังไม่หมดไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากในใจก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอใหม่มาทําหน้าที่แทนร่างกายอันเก่าเหมือนคนสูบบุหรี่พอสูบบุหรีม่มวนนี้หมดปับ๊บก็ไปหาบุหรีม่มวนใหม่มาสูบต่อนั่ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนบุหรี่ที่เราเปลี่ยนอยู่เรื่อยเราต้องใช้ร่างกายนี้ให้เราได้เสพลูกเสียงกลิ่นรสผลพทพะพอเสพก็มีความสุขสุขแบบคนสูบบุหรี่ สุขแบบคนดื่มสุรายาเมาสุขเดียวเดียวพอหมดแล้วก็ต้องหาหาไม่ได้ก็ทุกนี่แหละเช่นพอยากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนมันก็ทุกแล้วไปเกิดเป็นเปรตถ้าไปทำบาปทำกรรมเวลาที่ไปหาความสุขต่างๆ ไม่รักษาศีลอย่างวันนี้อวันนี้เรารักษาศีลห้าศีลแปดกันถ้ารักษาศีลแปดได้อย่างน้อยเวลาไปเกิดใหม่ก็ยังได้ร่างกายของมนุษย์ได้ร่างกายของเทวดาถ้าไม่รักษาศีลนี่เวลาไปเกิดใหม่ต้องไปได้ร่างของเ ด, ดรัจฉานของเปรตของผีของสัตว์นรกนี่มันเป็นผลที่ตามมาจากการ ตามความอยากต่างๆทําความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะเว่ากามัตัณหาทําความอยากตามภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็ น, อ ย, น, นอยากได้นู่นอยากได้นี่เรียกว่าภาวะตัณหาทําตามวิภาวะตัณหาอยากไม่ได้อย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้อะไรไม่อยากไม่ได้การสันนิษฐาไม่ได้การคารหานินทา ไม่ได้การดูถูกขัดดูถูกเยียดย้ำลบหลู่ดูหมิน่นไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้ไม่อยากได้ความยากความจนไม่อยากได้ความแก่ความเจ็บความตายแต่ของเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งมันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยให้เราได้ก็ต้องได้ถ้าไม่กลับมาเกิดมันก็ไม่ต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้ ทางที่ดีที่สุดก็คือหยุดความอยากเสียถ้าหยุดความอยากได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะนิ่งเหมือนตอนเนี้ยตอนนี้เรานั่งอยู่เฉยๆได้เพราะไม่มีความอยากแต่ถ้านั่งไปนานๆข้าวเหน๋ยวก็เกิดความอยากอย่างน้อยก็อยากจะขยับร่างกายเพราะร่างกายมันเริ่มเจ็บแล้วพอเจ็บแล้วก็ไม่อยากเจ็บถ้าเราไม่มีความอยากเอไม่เจ็บนะ เราก็นั่งกับความเจ็บได้เจ็บไ็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราหยุดความอยากไม่เจ็บไม่ตายได้การที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ก็เนี่ยต้องใช้สติใช้สมาธิและใช้ปัญญา การขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันให้มากๆจเริญสติกันให้มากๆวิธีที่จะเริยนสติได้ได้เป็นกรอบเป็นกรรมได้เป็นผลก็คือต้องอยู่คนเดียวต้องปรีกวิเวกอยู่ห่างกายจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถพระอยู่ห่างกายจากการงานต่างๆเราเวลาทำงานทำการนิจใจจะต้องคิดบุญติวอยู่ตลอดเวลา หาเวลาหยุดไม่ได้พุทโธไม่ได้เลยเวลาทำงานเะนั้นต้องลาออกจากงานแล้วหยุดงานแล้วไปปิกเว้ยเวไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปฝึกเจราญสติพุทโธพุทโธหรือเกสาโลมาผมขนเล็บฟันหรือหนึ่งสองสามหรือสวดมนต์อิติปิโสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกิกริยาบุเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาหันหน้าไปทางซ้ายก็รู้ว่ากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาก็รู้ว่ากําลังหันหน้าไปทางขวาเอ ให้รู้ทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าอยู่กับการดูเฝ้าดูร่างกายก็ถือว่ามีสติใจไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าดูได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้เองพอสงบแล้วก็จะมีความสุข ่อยวางทุกอย่างได้ชั่วคราวแต่พอออกจากความสงบมาก็จะเริ่มคิดไปในทางการหาความสุขทางตาหูจมูกนกิ้วกายก็ต้องใช้ปัญญามานี่เราเอาสอนมาให้คิดถึงความไม่เที่ยงความทุกข์ที่จะเกิดตามมาถ้าเราไปทำตามความอยากต่างๆพอมีปัญญามาเตือนใจมันก็จะหยุดความอยากได้ หยุดความอยากได้ใจก็กลับสู่ความสงบเหมือนเดิมสู่ความสุขเหมือนเดิมเราไม่ต้องมีอะไรความสุขในใจเรานี่มันรอเราอยู่แล้วเพียงแต่เราหยุดความอยากต่างๆเท่านั้นเองนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติขั้นต้นก็หยุดความคิดเพราะความคิดนี้เป็นเครื่องมือของความอยากถ้าไม่คิดความอยากก็เกิดไม่ได้ถ้าคิดเดี๋ยวก็เกิดความอยากได้ มันหยุดความคิดก่อนแล้วขั้นต่อไปถ้าจะคิดก็คิดไปในทางไม่อยากคิดไปให้ในทางที่ทำให้เราเห็นโทษของความอยากแล้วจะทำให้เราไม่อยากไม่อยากต่อไปเพราะถ้าเราคิดว่าอยากเราทุกเราจะอยากไปทำไมถ้าเราเห็นคำความอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษเราก็จะไม่ไม่ไม่เข้าใกล้เราก็จะไม่อยากเนี่ยความอยากของเราเนี่ยเป็นเหมือนยาพิษ ีพ่นพิสใส่เราตลอดเวลาที่ร้องห่มร้องไห้กันกระวนกระวายกันวิตกกังวลกันหวาดกลัวกันเกิดจากความอยากนะโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตปริบาทก็เกิดจากความอยากความอยากนี่แหละเป็นตัวเจ้าปัญหาแต่พวกเรากลับไม่เห็นมันเป็นโทษกลับเป็นเห็นเป็นเพื่อนเวลามันมาชวนไปไหนไปเลยมันอยากจะกินอะไรก็ พามันไปกินเลยอยากจะดื่มอะไรก็พามันไปดื่มเลแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันหาความสุขไม่ได้ยังต้องพยายามเอาใจเวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่เติ่งขึ้นมาเอาขั้นต้นนี้เอาสติให้ได้ก่อนอย่างอืนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวล เดี๋ยวได้สติแล้วอย่างเอ่นมันตามมาเองเหมือนกับเรียนหนังสือขั้นต้นนี้ไม่ต้องเอาอะไรเอาก่อไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนนับหนึ่งสองสามให้ได้ก่อไก่ขอไข่ให้ได้แล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะสะกดได้เองสะกดได้แล้วต่อไปก็จะเขียนเรียงความได้อ่านหนังสือได้ถ้าถ้าคิดเลขก็บต อ, ตอต้นก็หนึ่งสองสามให้ก่อนต่อไปก็บวกลบคูณหารได้ต่อไปก็เอามาคํานวณ อะไรต่างๆได้จะเรียนถึงระดับนิวเคลียร์ฟิสิกอะไรก็สามารถทำได้ถ้ามีพื้นฐานของหนึ่งสองสามฉนั้นเรามาเริ่มพื้นฐานก่อนเริ่มที่สติก่อนถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิจะจะง่ายจะสงบถ้าไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่ไ่สงบถ้าไม่มีสมาธิ จะออกทางปัญญาก็ออกไม่ได้เพราะกิเลสจะไม่ให้ออกกิเลสจะดึงไปทางทางกิเลสทางอวิชชาให้ไปคิดแต่โอ้ไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็งามน่ารักน่าดูน่าชมน่าอยากได้ไม่เคยคิดว่ามันน่าชมไปนานักเท่าไหร่แล้วมันให้ความสุขกับเราไปได้นานเท่าไหร่ของที่เราซื้อมามีกองไว้เต็มบ้านมันให้ความสุขกับเราหรือเปล่าตอนนี้ ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนี่โอ้โหมีความสุขกับมันเหลือเกินพอมันจำเจมันชินชากับมันแล้วความสุขก็หายไปอต้องหาของใหม่มาแทนอยู่เรลยบางคนก็เปลี่ยนหาแฟนใหม่มาแทนอยู่เลยได้นคนแฟนวันนี้อยู่สักพักเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อแล้วก็หาแฟนใหม่หาเป็นเรื่อยๆดาราฮอลลีวูดนี่ แต่งแล้วอยาแต่งแล้วอย่าบางคนเป็นสิบครั้งก็มีนี่เฉพาะแต่งนะแล้วที่ไม่แต่งอีกไม่รู้สักเท่าไหร่นี่เป็นเพราะทําตามความอยากคิดว่าทําตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขเดียวเดียวอเราต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมะมาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปหลงไปทําตามความอยากอย่าไปอยากได้อะไรต่างๆในโลกนี้ เพราะของทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันชั่วคราวเวลามีมันก็ดีอยู่เวลามันไม่มีมันก็จะเสียใจจะทุกข์ใจแล้วข้ามันไม่ได้เวลามันจะไปเวลามันจะเปลี่ยนเวลามันจะเสื่อมนี่ละ่ะคือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจแต่ต้องก่อนจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิก่อน ก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนก่อนจะมีสติได้ก็ต้องลาออกจากต้องไม่ทํางานทําการต้องไม่อยู่กับครอบครัวต้องไม่อยู่กับใครทั้งนั้นต้องออกมาปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยากที่พวกเรามาทาําอันนี้มาเจริญสติเพื่อจะได้มีสมาธิแล้วเมื่อมีสมาธิแล้วเราจะได้ออกทางปัญญาได้ การมีสมาธินี้ไม่ไม่ไดยหมายความว่าปัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีสมาธิไลจนวันตายปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ดึงใจออกมาพิจารณาตายรักจะให้เกิดปัญญานี้ต้องพิจารณาตายรักมองอะไรต้องมองให้เห็นตายรักถ้าเห็นตายรักแล้วมันก็จะไหววางได้เห็นกระเป๋าสวยๆก็ต้องให้เห็นว่ามันเป็นตายรัก เห็นรถสวยๆงามๆก็ต้องเห็นว่าเป็นไตล่ลักเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาก็ต้องเห็นว่ามันเป็นไตละกอย่าไปเอามันอย่าไปอยากได้ถ้าจาเป็นจะต้องซื้ออะไรก็ซื้อไปตามความจาเป็นถ้าไม่ได้ซื้อตามความอยากก็ไม่เป็นปัญหานี่คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของเวลาที่มีคุณค่า ที่จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเอา mm. น, นะพยายามมาเลอกถึงเวลาที่เหมือนกับเหมือนกับน้ำที่เราเปิดจากถังมาถ้าเราเปิดออกมาปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำในถังก็ต้องหมดมันจะไม่มีวันเพิ่มมากขึ้นไปได้เวลาของเรานี้มันจะน้อยไปทุกวันทุกวันวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เวลามาปฏิบัติใดก็เสียไปแล้ว ข้ า, ามาปฏิบัติก็ถือว่าได้ทําประโยชน์แล้วสติดีขึ้นนั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานขึ้นจะสงบได้นานขึ้นจะมีความสุขได้นานขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าไม่นั่งเดี๋ยวความอยากโผล่ขึ้นมาความทุกข์ก็ตามมาพยายามเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วพอเรามีกำลังที่จะออกทางปัญญาได้ก็ พิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขะอนัตตาทางร่างกายของคนก็พิจารณาว่าไม่สวยไม่งามในที่สุดก็ต้องกลายเป็นซากศกไปขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่น่าดูถ้าพาออกมาดูใต้ผิวหนังถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นแต่โครงกระดูกเห็นอวัยวะน้อยใหญ่หัวใจตับปอด กระเพาะลำไส้เยื่อสมองศีรษะน้ำต่างๆอาหารเก่าอาหารใหม่มีแต่ของที่ไม่น่าดูอยู่ในร่างกายนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนยังุตสามมาประกวดความงามกันประกวดแต่ที่ผิวนั่นเองประกวดภายนอกเพราะไม่ได้มองเข้าไปข้างใน ถ้ามองเข้าไปข้างในแล้วก็จะไม่ต้องมาประกฏกันให้เสียเวลาเพราะข้างในเหมือนกันหมดทุกคนหัวใจก็มีเหมือนกันปอดก็มีเหมือนกันรูปล่างลักษณะเหมือนกันหมดกระเพาะลำไส้เหมือนกันไปประกฏอะไรกันมีเพราะความหลงเพราะการไม่มีปัญญานั่นเองไม่พิจารณาสุภากันกาพิจารณาสุภากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีใคร น่าดูน่าชมกันที่พอจะดูได้ก็เพาะมีผิวคอยหุ้มห่ อ, อไว้คอยบังอไว้ท่านเองเห็ือนกับเวลาเราไปซื้อตับไตตับหมูตั บ, บวัวใส่ในของหมูแล้วใส่เข้าไปในถุงพลาสติกเวลาหิ้วถุงก็มองไม่เห็นว่าข้างในนั้นเป็นอะไรก็คิดว่าเป็นของดีพอ เ, เปิดออกมาดูถึงจะรู้ว่าโอ้มันไม่น่าดูเลย นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามมองให้เห็นทั่วใจอย่ได้ไม่มีความหลงที่จะไปอยากได้ร่างกายของใครมาเป็นสมบัติได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับเขาเพราะเขาไม่แน่นอนใหม่ๆก็รักกันดีวพอยอยู่กันไปนานๆเดี๋ยวก็ความรักก็ค่อยจางไปความเบื่อหน่ายก็จะเข้ามาแทนที่พอเขาเบื่อเราเขาก็จะออกไปหาของข้างนอกบ้านต่อ นี่มันเป็นธรรมชาติแต่งมากี่คู่ก็เหมือนกันทั้งนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไม่เอามาคิดไม่เอามาพิจารณากันแม้กับตัวเองแต่งกี่ครั้งมันก็เจอแบบเดียวกันนะคนนี้เป็นอย่างนี้ที่ว่าคนใหม่จะไม่เป็นอย่างนี้พอได้คนใหม่มนาะมันก็แบบเดียวกันนี่แหละคือเรื่องของปัญญาสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเองถ้าเราไม่ยกขึ้นมาพิจารณา เราต้องยกขึ้นมาพิจารณาถึงจะเกิดเป็นปัญญาได้จะยกขึ้นมาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิกิเลสมันมีกําลังมากมันจะไม่ให้เราคิดไปในทางปัญญามันย้ายเราคิดไปในทางสวยงามเห็นคนนั้นก็สวยคนนี้ก็งามคนนั้นก็รูปหล่อคนนั้นก็น่ารักมีแต่เห็นว่าเป็นของดีไปหมดแล้วพอไปเจอของจริงเข้าก็ก็รับไม่ได้ เรื่องของปัญญาต้องมีสมาธิสมาธิเป็นเหมือนยาสลบยาสบที่จะทําให้ตัดกําลังของกิเลสไม่ให้มาดึงเอาความคิดไปคิดในทางกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาพอมันไม่ดึงไปทางนั้นเราก็สามารถดึงมาทางนี้ได้คิดมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้พิจารณาอาสุภะความไม่สุไหงามได้พิจารณาปฏิกรูปความสุข ป, ปกได้ พิจารณาอนัตตาได้พิจารณาอนิจจงได้ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเรียกว่านิจจ์อนัตตาก็คือห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่เปลี่ยนเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดที่ความอยาก พอเรามีอะไรแล้วเราจะอยากไม่ให้เขาเปลี่ยนอยากจะให้เขาเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมใหม่เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันเปลี่ยนไปตามเวลาของมันแล้วก็ต้องมีวันที่จะต้องหมดไปให้เห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะก็หยุดความอยากได้ไม่อยากจะได้อะไรเพราะ เห็นว่าเป็นการอยากได้ความทุกข์นั่นเองได้อะไรมาก็ต้องได้ความทุกข์มาขอให้เราพยายามปฏิบัติกันต่อไปสู้ไม่ถอยดาบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่าปล่อยให้ความคิดของกิเลสตันหาหลอกให้เราไปทําอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับการปฏิบททัติธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ ให้ให้ความวิเศษได้เท่า ก, กับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมให้อะไรกับเราก็ให้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งให้โสดาบันให้สกิราคามีให้อนาคามีให้อาหารหันการทํางา น, นอย่างอื่นในโลกนี้ไม่สา ม, มารถให้สิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นก็ขอให้พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปจนกว่าจะตายหรือว่าจนกว่าจะบรรลุ เมื่อบรรลุแล้วก็หยุดปฏิบัติได้ถ้าตายก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ถือว่าหมดโอกาสก็ต้องรอโอกาสหน้าเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะดีเหมือนโอกาสนี้หรือไม่ก็สุดแท้แต่บุญวาสนาถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็ยากหน่อยจะไม่มีวันที่จะบรรลุได้ด้วยตนเองก็ต้องรอไปเจอเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ยกเว้นเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่สามารถบรรลุได้ด้วยตนเองซึ่งยากมากคนที่จะเป็นระดับพระโพ ธ, ธิสัตว์ได้นี้หายากมากนานๆจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึง <c oughs> ่งยันอย่าปล่อยเวลาโอกาสอันวิเศษนี้ให้ผ่านไปพยายามตักตวงให้ตามโบราณที่พูดว่าน้ําขึ้นให้รีบตักตอนนี้น้ําแห่งพระพุทธศาสนามีเต็มเต็มฝั่งตักได้สบาย ต้องการจะตักเท่าไหร่ก็ตักได้อย่าเอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเวลาหมดแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยะท้าวาเวาฮาปุราปาลิปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขตเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกปาจันทุปนาระโสยท้ามณิโชติอะโสยท้าสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะทวันตระโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนสิลิสานิจังวุทธาปจายโนจัตตารุธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังผ่านนางซีรัดแล้วจะจะเหนื่อยไม่ค่อมีแรงแต่เกี่ยวไม่เจริญไม่เจริญ ควายวัวมันกินผักกินยญ้านะกินเลือยก็ได้ขอบคุณนะคะไม่เกี่ยวกินผักสินเนื้อเหมือนกันผิพรรณการนอนสีเล็กสีสวยไม่หรอกผิวพรรณนี้มันอยู่ที่บูร์นครูสอนที่ามมาค่ะเห็นบางคน สมัยหนุ่มๆเขาก็มีผิวพรรณดีอะคะอ่ะแล้วพอเขาโตขึ้นจากขาวมากกลายเป็นดำมากมันเปลี่ยนไมันเป็นเพราะอะไรคะมันก็เป็นเพราะนเนเะี่ยเวลาทาบาปทํากรรมมันก็เปลี่ยนได้ดูคนที่เป็นนายกผมขาวอะไรอางเนี้ยพอกลับไปเป็นคนธรรมดาก็ผมก็ดำกลับมา <c oughs> เวลาทำเราเครียดเคียหน้าตามัน้่าเพ่งไปเวลาเวลาไม่มาบวชนี่หน right? like kind of well ้าตาจะผ่องใสไงผมก็เจอหน้าทีไรบอกทาไมเห็นเต่เห็นทีไรก็ยิ้มทุกทีถ้กินมังสวิวลาก็สวยคนเรากินมังสวิเวลากันหมดแล้ว รูท่นมั่งเฉพาะมาถือสิลป์เนี่ยจะมังแต่ขาไม่มั่งดูท่านอยู่นะแล้วที่เขาเป็นห่วงล่ากลัวพักท่านนีไม่ทานเนื้อสัตว์เลยกลจะไม่มีไม่มไม่เป็นไรนะก็วัวควายมันก็ไม่ได้กินเนี้อกินแต่ห้า้เป็นไงระบว่างไม่เป็นไงไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรจะมีมีเพลียบายแต่ว่าก็ไม่เคยชินแล้วการมานะ นนเก่งมากเลยยุยงน้อยเก่งมาถึงเตะแล้วเกะเตะแม า, มาสาวยแลวแบบนั้นแบบเต็มแรบบ้อยแล้วก็มีไข่มีอะไระได้มีไข่ค่ะ ม, มังเขียร์กินไข่กินนมได้กินไข่กินนมมีเขียร์ได้เขียร์ได้ลำบากเก่งลำบากคือแม่เก่งลำบากค่ะดี คามจรเนื้อสัตว์มันก็มาจากผักอยู่สัตว์มักินผักกินผักเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นเนื้อเรากินผักเข้าไปมันก็มากลายเป็นเนื้อเราเองอะมันจะเป็นยังไรมันก็ผัดกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างเนี้่องวิเคราะห์ดีๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละที่ทําให้ฆ่าที่ที่เจนนี่ความจริงบ้าหมายคือไม่ให้เป็นค่าเพื่อเป็นเอาเอาเนื้อท้องมาเป็นอาหารเท่นั้นเอง ถ้าเรากินเนื้อเขาที่เขาตายนะนี่นไม่ไม่ต่างกันหรอกินกินผักกับกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่มีผลแตกต่างกันแต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์แล้วมากินเนี้ยอย่างเงี้ยมีผลเพราะเราทําบาปนะเราฆ้าถ้าหนูถ้าหนูหนกินบางสายเวลาแต่หนูยังตบยุงตรีมอดอยู่มันก็มันก็เสื่อมก่อนที่กินเนื้อแต่ไม่ตบยุงกิน คนที่กินเนื้อตาย้วแต่ไม่ไม่ตบยงไม่ริงมุสเอไม่กินมันเขาเขาจะดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ทำผิดจริงั้นประเด็นอยู่ตรงนั้นอยู่ที่จีิไม่ได้อยู่ที่กินกินอะไรก็ได้แส่ที่เรากินนี่เราอย่าทำบาปเพราะกินถึงว่าเป็นผักแต่ขโมยผักเข้ามากินนี่ก็ไม่ดีนะแค่นั้นเป้าหมายจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ สิ่งที่เรากินก็มาให้เห็นอยู่ที่การกระทำของเราว่าการที่เราได้สิ่งที่เราจะกินมานี้ได้มาในแบบไหนถ้าได้มาเพราะข้าเขานี้ไม่ดีได้มาเพราะไปขโมยของเขามานี้ไม่ดีอยู่ตรงนั้นเพราะมันจะทําให้เรากายเป็นเดรัจฉานไปเดรัจฉานเขาก็หากินแบบเนี้ยเขาขโมยได้ก็ขโมยเขาข่าได้เขาก็ข้า เราเป็นมนุษย์เรามีความฉลาดที่เราจะสามารถหากินได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทําผิกสีถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราว่าก็ต้องรักษาสีหน้าให้ได้อย่างวันนี้วันพระเราก็ขมาทางสีขาวเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใจเราตกสั่งไม่ไปเป็นเปรปลง เ, เป็นเดราาัจฉาน มีคาถามคือหนูเคยหน่ได้ยินเคยได้ยินว่าเวลาสมาทานสีถ้าเกิดว่าอถ้าเกิดเราเราทำผิดข้อนึ่งอะค่ะสีมันจะขาดไม่นลยข้อไม่เกี่ยวกันไม่มีตัดกะไม่มีผล ใช่ไหมก็ผิดข้อไหนมันก็ผิดข้อเนี้ยเหมนเหมือ น, น, น, นคุณครับขับรถไปทําผิดกับไม้ข้อหนึ่งคุณผิดร้อยข้อเลยใช่ไหมก็มจะเอาโทษจากอย่างอืง่นได้ที่ไหนไม่ได้ก็ก็จะเอาโทษแต่เฉพาะถึงที่คุณทําผิดนั้นนั้นเป็นความเข้าใจผิดการจะหมายความว่ า, าผิดแต่ข้ออะไรข้อหนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีศีลแล้วงนี้ก็พูดอย่างนี้ก็พอจะฟังได้ ฉันว่าไม่มีสีนมวไม่มีสีข้อนั้นแมแต่จะว่ามีไม่มีสีทุกข้อหรือเป่าไม่ใช่ข้ออนเรายังไม่ได้ทำเราเมื่อล้วก็ยังไม่ผิดเลยแต่ท่านเขาถ้าแต่ข้อถืว่าเขถามว่านี่รักษาสีแม่หรือเป่าแล้วถ้าเราไปผิดข้อหนึ่งล้วก็บอกรักษาไม่ได้แล้วแต่เราไม่ได้รักษาทั้งหมดแล้วเราจจะพูดว่ารักษาได้สี่ข้อแต่ข้อนี้รักษาไม่ได้มืนก็เหมือนจะผิดตรงไหนค่ะเออ นี่เป็นมาด้วยกันที่เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันไงเว่าเป็นครูหรือว่าเป็นครูนเป็นครูครูครูเรค่ะที่โรงเรียนเดียวกันเลยค่ะมีคนอื่นคนเดียวไห่ได้เป็นครูใช่ค่ะเนี่ยคนเดียวเป็นพี่แย่คเดียวครูค่ะแล้วยังสอนกันอยู่ทั้งหมดเลยยังสอนอยู่เจ้าค่ะยังไม่มีการย้อวมาแก่ที่สุดค่ะรุ่นเดียวเป็นครูจงกตรเปล่า ยังเป็นยัปรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ปีหงค่ะพี่ยงครูยองกนอย่เลค่ะน้องออกไปก่อนแล้วน้องเขไปดีกว่าแล้วค่ะยังยังใช้นี่ไม่หมดยังไ่ต้องอยู่ก่อนนะคะน้องมทีแล้วเนี่ยครูครูวัดโทนี้เขาออกไปบวชทีได้กีปีแลห้าปี้ได้แล้วหปีแล้วปีแล้วนะาเอาไปปีแล้วตอนตนอนยังไม่ได้บวชคือจะบวชไม่เท่าหรอกจะบวชบวชประมาณสองปีน่าจะสองสปีนะคะไม่เกิน สองปีองปีปีที่แล้วค่ะท่านแม่ชีออกไปปฏิบัติธรรมก่อนไม่ใช่มาบวชกองที่ไปอินเดียของปีเห็นั้ยคนอย่างเขาบวชกันได้มมนมีปัญหาเลยจานโยมันจะได้เลยครับโน่าอยไม่เกวาน่าหรอกเกวการใจโมคิเกียจใจข้ถ้าใจรักบุญรักกุศลน่าบวชได้ยังโยมขออนุญาต อยากบวชอย่างนี้ก่อนได้ไหมควย่ะงยังรับเที่ยวอยู่ว่บวชไม่ได้ไม่เที่ยวหรอกค่ะไม่ได้เที่ยวหรอกค่ะเที่ยวแต่น้อยเขาอย่าพูวไม่ได้เที่ยวเลยไปวัดเจ้าค่ะถ้าไม่เที่ยวก็บวชได้เดี๋ยวลองบวชกับบ้านแบบสุภาพพรอนก่อนเถอะค่ะ ร่างกายหรือร่าายข อ, อื่นเป็นแค่ตุ๊กตาแล้วก็มีใจต่างหากเราไปคอนโทรลเขาไม่ได้ อ, อร่างกายนี้มันเหมือนหุ่นเหมือนตุ๊กตาที่ที่ควบคุมด้วยใจของเขาและใจของเราของใครของมันเป็นตุ๊กตาของแต่ละคนแตร่รถของคนของแต่ละคนเวลาร่างกายตายไปเจ้าของร่างกายไม่ได้ตายไปด้วยมองว่ามันมองว่ามันเป็นตาหากจากใจหนึ่ง แล้วมองว่ามันไม่เที่ยงว่ามันต้องตายต้องนองตองอก็ต้องแยกเป็นอาการแยกเป็นธาตุอันนั้นมันแยกมันยากนต้องต้องทำอย่างนั้นด้วยไหคะถ้าถ้าเห็นว่าหนสุนมันก็เป็นชนิดน้ำลงไฟได้ก็ยินดีอย่างนี้มันต้องนําชิดก่อนนะเพื่อศึกษาไปก็เห็นจำนํำคินแล้วก็คิดไปเลยว่าทางกายตายไปแล้วมันกะมันขั้นต่อไปมันจากายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นที่เท่า มันก็ช่วยทําให้มันเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงคิดถ้ามันเป็นงเสื่อมไปอีกไอ้แค่สองอย่างแรกนี่มันมันยังให้มันเหมือนกับยังไม่ชัดเจนพออะพิจารณามันให้ครบรูปไ้มันครบครบสูตรองมันเลยแล้วดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันก็เริ่มมาจากง่ามสองหยดนม่ใช่ยงกายนี้มาจากอะไรงั้ว แล้วมันจุดเริ่มต้นเป็นน้ำสองหยดจุดสุดท้ายก็เป็นแค่ขิงข้าวกระเสกกระรู้มั้ยสิแล้วเรากลว่างตงกลางนี่มันก็เป็นอย่างเนี้เป็นอาการสามดีสองแกะเจ็บตายเห็นแค่นี้ก็ชันแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรนไงที่มันไม่เห็นว่าเวลาจิตไม่สงบมันยังติดกันอยู่ไงถ้าสงบมันจะแยกมันจะร่างกายจะหายไปแล้วเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวมันจะรู้อันนี้คือตัวรู้ ตัวรู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าแล้วร่างกายให้ไปตัวรู้ก็ยังอยู่คือถ้าได้สมาธิถึงขนาดนั้นมันก็ยกมันจะปล่อยได้มันจะปล่อยได้มันรู้ว่าเราไม่ได้ตายเราเป็นตัวรู้ร่างกายตายไปก็มันรู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปถ้าได้สมาธิถึงขั้นว่าร่างกายหายไปได้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาถีางเออมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะค่ะ ถามเลาเ่ถามาจริงๆถามคือบางครั้งเนี that <that ่ยฟังเรื่องคว่าอ okay> like ัตตาเนี that> <that ่ยดูับนมากแ้คือเอบางครั้งฟังดูสัอัตตามันเหมือนกายที่นี่เราพิจารณาายก็โอเคแต่บางครั้งฟังดูแล้วอัตตาก็เหมือนกับมนะตรนี้เข้าใจในเรื่ตัวเดียวกันมานะก็ตัวถือตัว ถือตัวก็มันก็ต้องถือตัวถือตนรือว่าตัวเองมีตัวตนตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันคิดว่ามันมีเป็นตัวตนทวามจรงตัวรู้ก็เปบนตัวรู้ตัวคิดแันไม่ได้เป็นตัวตนมันไม่ได้เป็นเราเป็นเขามันไม่ได้มันไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองอาจารตัวรู้มันไม่ต้องมีอะไร มันแค่เป็นตัวรู้พอเป็นตัวตนปั๊บมันจะต้องมีไอ้ของเป็นของมันขึ้นมาทันทีเงินเงินเมื่อกี้นี่เป็นของของของคุณเดี๋ยวนี้เป็นของเราเลยคือมันเป็นสองลักษณะใช่ไหมเวลาจะปล่อยมันเนี่ยคิดดูต้องคิดไปกี่การตลบเนี่ยกว่าจะปล่อยมันได้ก็อยู่ละค่ะใช่ไหมหรือว่าคิดอยู่หลายตลบอยู่นะของกูของกูอยู่นั้นนะพตอนนี้ไม่เป็นของกูต้องสบายไหมสบาย หมดไปแล้วมันเป็นภาระของเราแล้วสิ